บรรดาคนประเภทไหนที่ติดต่อได้ที่ตายไปคนประเภท คนที่ว่าในๆ เมื่อข้าพเจ้าบอกว่ายังติดต่อไม่ได้ ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมาเพียงครั้งเดียว ต้องการจะรู้อะไรจะรู้อะไรบอกได้ทั้งนั้นเวลา การที่ข้าพเจ้าต้องเขียนเรื่องให้คนที่มาถามฟังก็เพราะ ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เรียนถาม จะให้มีอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีอะไรขอให้นึกถึงตัวเองเมื่อเกิดมาในโลกนี้เราก็ลืมความหลังกันทั้งหมดไม่สนใจในเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วเราทุกคนก็มีเรื่องใหม่ใน คนที่อยู่ในๆโดยธรรมดาผู้ แล้วก็เต็มใจที่จะตายปลอยวางได้คือไม่เป็นห่วงถึงชีวิตที่จะต้องดับใจที่จะตายปล่อยวางได้คือไม่ การตายเป็นๆแต่ถึงกระนั้นก็ควรจะรู้ไว้ด้วยว่าคน และเขาเองก็ปี อดเมื่อตัวเองได้กินอะไรได้เห็นอะไรก็อยากจะให้คนที่ตนเองรักได้กินได้เห็นอย่างนั้นบ้างบุคคลในครอบครัวไม่ได้แต่ แต่ถึงกระนั้นเค้าก็อาจจะยัง บางปี 20 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ เมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามก่อนเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มัก ในก็จะไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกันแรกๆก็จะไม่รู้ปีๆและ 10 ปีและๆ ก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเข้าเป็นร่างกายที่เกิดจากใจหรือพูดให้ชัดมันหรือเกิดจากวิบากสิ่งที่ ทำไมรู้สึกว่าตนตายแม้จะตื่นขึ้น ซึ่งทั้งภาพและเสียงเหล่านี้เป็นภาพมายาคือเห็นไปเองได้ยินไปเองเพราะเหตุที่สภาพของร่างกายขึ้นอยู่กับอำนาจของจิตใจลวนๆเช่นนี้เสียงเหล่า 10 10 ปีหรือ ถือเป็นการพักผ่อนเช่นเดียวกับในโลก การการถูกค้าตายก็ดีด้วยอุปัทวะเหตุก็ดีการถูก ด้วยเขาได้อยู่ในความ คนที่ตายเหตุร้ายต่างๆอุปัทวะเหตุหมายเหตุผู้ๆ เช่นไม่อาฆาตพยาบาทคนที่ฆ่าหรือแม้เช่น ก็และบางคนแม้จะรู้สึกว่าตัวเองได้ตายแล้วก็ตามแต่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้สึกหรือเป็นห่วงคนนั้นคนนี้เป็นห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตัวอยู่ ในกลุ่มของคนประเภทนี้บางคนก็สติเสียไปเลยกลุ่มของคนประเภทนี้บางคนก็สติ แต่ความนึกคิดก็มักจะ บางคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วหาง บุคคลประเภทนี้ก็ตามตัวมาไม่ได้ประเภทนี้ก็ตามตัวมา ซึ่งบุคคลประเภทนี้บุคคลประเภทนี้ข้าพเจ้าบางคนก็อาจจะนอนหลับอยู่นานกล่าวมาแล้ว บุคคลที่ตายไปแล้วที่มีโอกาสจะ 1 ใน 100 1 ใน 1000 จะต้องติดต่อๆเหมือนกับ สำหรับโอปปาติกะอย่างท่านนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งการที่ท่าน ก็ต้องพูดว่าเป็นจํานวนเล็กน้อยอย่างที่ แต่ละคนซึ่งถ้าคิดตามเวลาใน จบเล่มหนึ่งเล่ม 1 พรรัตนสุวรรณวิญญาณ 47/2 ถนนสามเสนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02 282 2025 พรรัตนสุวรรณผู้พิมพ์ 2529 เสียงที่เทนั้นต้องเธอเสียง ทางครับโปรดติดตามดาวน์โหลดเสียงอ่าน d.igetweb.com d.i g e t το สองคนคบกันคิดทําอะไร ในเมื่อสิ่งที่เต็มแห่งมิพลให้ <San> Θα νιώθει το Κον κα κα καζόν τον κον มั่นใจว่าสิ่งที่